มีคำถามัหมมีเจ้าค่ะคำถามแรกนะคะกรุณาอธิบายวิธีปฏิบัติอาณาปานาสติเจ้าค่ะอ๋อดูลมดูลมไม่มีลมเหรอไม่รู้จักลมหายใจเหรออาณาปานาสติก็คือเอาสติไปตามดูลมลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้ ลมเบาก็รู้ลมนับก็รู้ลมค่อยก็รู้ลมแรงก็รู้ง่ายๆง่ายๆไม่เป็นเหรอเหอได้ไหมแค่เนี้ยพอได้ไหมดูไปเลยไม่มีลมก็ดูกายไปเรามีกายนี่ใช่ไหมละ่ะมันพอดูอะไรได้ดูไปคืออาณาปานาสติเนี่ยหมายว่าลมหมายถึงตัวลมคนที่จะดูอาณาปานาสติเนี่ยคือจะต้องมีนิสัยอย่างหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลมนี่มันจะมาเสมอ ลมจะแสดงอาการของเขาอยู่เรื่อยลมนี้จะเป็นหลักทีนี้ถ้าลมมันเมาลงไปมันจะมีเวทนามันก็จะมีความรู้สึกทางจิตเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ต้องมีเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในจิตจากลมก็คือกายต่อมามันก็จะเป็นเวทนาเป็นจิตเข้าใจไหมแล้วก็ลงสู่ธรรมสติปัญสีแต่ว่าลมมันจะเป็นหลักจะเริ่มต้นด้วย อาณาปานสติดูลมเข้าลมออกก็ได้ลมเข้าพุทลมออกโทก็ได้เรียกอาณาปานสติเริ่มด้วยพองหนอยุบหนอสุดท้ายมันก็ไปหาลมเขายังไมล่ล่ะท้ายลมมันจะเคลื่อนไหวแสดงอาการของมันอันหนึ่งต้นลมอันหนึ่งปลายลมนี่กับอาณาปานสตินี่แหละอธิบายแล้วไปปฏิบัติเอาในส่วนใหญ่ท่านปฏิบัติอยากได้ผลเร็วๆอ่ะ ทำน้อยๆยังได้มากๆคําถามเลยเยอะเข้าใจไหมถ้าปฏิบัติไปเดี๋ยวมันจะมีคําตอบเองคนปฏิบัติเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจไปเองเข้าใจไปเองเอาหลักของพระเจ้าไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายพยายามทําแล้วก็เพียนเรื่อยไปมันจะค่อยๆเข้าใจไปเองคำถามถัดมาเกี่ยวกับเรื่องลมนะคะ ลมหายใจเข้าออกสั้นแตกต่างจากลมหายใจเข้าออกยาวอย่างไดเจ้าค่ะอ๋ออันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวอุอ้ย <laughs> อันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวไงมันต่างกันตรงนี้แหละถ้ามันยาวมันจะรู้สึกว่าเหมือนกับใจเรามันสงบลงไปใจสงบนี่หายใจมันยยาวมันจะลึกใช่ไหมละ่ะบางทีก็มีเหมือนกันมันแสดงอาการ แสดงอาการเนี่ยต้องการให้เห็นความเกิดดับมันก็ต้องเคลื่อนไหวเร็วขึ้นก็น้าใจไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเป็นเรื่องของสภาวธรรมสามําคัญตรงจิตเราเข้าใจไหมจิตเรายินดียินไลมีไหมเราบอกแล้วสาําคัญตรงจิตนี่ไอ้ล ม, นะมเป็นเรื่องของดินน้ําลมไฟธาตุธาตุ ท, ที่มันอยู่ในร่างกายเรามัประกอบเป็นกายสาําคัญตรงจิตเรานี่ต่างหากเราไปกังวลไหมเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างงี้ไหม ไปสงสัยมากไหมเนี่ยยิมีก็สงสัยมากไปหน่อยนะทำใจสบายสบายแล้วดูไปนะสั้นก็รู้ยาวก็รู้ง่ายๆกว้างก็รู้แคบก็รู้ใหญ่ก็รู้เล็กก็รู้ค่อยก็รู้แรงก็รู้ให้รู้ไปหมดอะรู้ทั่วไปเลยใจเราเนี่ยรู้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจะมีหลักอย่างเงี้ยกรรมฐานทุกชนิดแหละมนันไปที่เดียวกันแต่ลมเนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลา นั่นถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวลมมันก็จะมาแล้วลมมันก็แสดงอาการของลมเอาต่อไปเคยนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าลมหายใจตัวเองหายไปแล้วก็เหมือนหลุดจากอาการนั้นพอหลุดไปก็เกิดความรู้สึกเบาสบายมีความสุขมากๆไม่ทราบว่าความรู้สึกนั้นคือสมาธิขั้นไหนและช่วงหลังๆเราอยากจะให้เกิดอารมณ์อย่างนี้อีกก็ไม่เกิดขึ้นกับตนเองอีกเลย มันเกิดจากสาเหตุใดครับมาสมาธิขั้นรู้สึกสบายสๆนะก็มันสบายสบายก็ขั้นสบายสบายสิแต่อยากให้เป็นอันนี้ล่ะเห็นไหมมันเริ่มยินดีขึ้นมาแล้วพอใจแล้วเราต้องมันละความรู้สึกเหล่านี้ให้เป็นเองธรรมชาติทีนี้เรายังละไม่ได้มันรู้สึกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องรู้จิตของเราตามดูจิตเห็นไหมจากลมมันก็มาหาจิตพอมันเริ่มสุขมันเริ่มสบายมันเริ่มสงบจิตของเรามันก็คาดหวัง ทุกคนก็ต้องได้ผ่านแบบฝืหัดแบบนี้แหละกว่าที่จะคขายออกกว่าที่จปล่อยวางจากความยึดติดข้องจากความอยากความต้องการมันมีคนนึงอ่ะเขาปฏิบัติงูเขาอยู่ลบบุรีนู่นวันหนึ่งก็นั่งภาวนาตอนเช้าก่อนจะไปทํางานนั่งหูจิตสงบลงไปมีความสุขมากที่สุดเลยไม่เคยเจอความสุขประเภทนี้เลยจิตมีได้สุขโอ้โหสุขอยู่กับความสุขแต่ทีนี้มันใกล้เวลาไปทํางานนี่โอ้เสียดายมากเลยเสียดายความสุขเนี่ยอยากจะนั่งต่อ แต่ก็นั่งไม่ได้ต้องไปทำงานแล้วก็คิดในใจว่าเออกลับจากทำงานแล้วเราค่อยนั่งแล้วก็อยู่ความสุขนี้อีกก็ออกจากสมาธิแล้วก็ไปทางานกลับมาถึงก็รีบนั่งเลยอเอาเลยนี้อยากให้สุขที่นี่มันยากแลวใช่ไหมที่นี่มันไม่สุขจิตก็กระว น, กระ ว, นกระวายทาไม่ได้เลยกระวนกระวายเสียดายความสุขนั้นกลัว ค, ความสุขมันไม่กลับมากลัว ค, ความสุขมันหายไป นี่มีแต่ความดิน้นรนของจิตจีตก็เลยไม่สงบต้องเช่ารถพอดีมาสอนที่บ้านไทยเอาเช่ารถจากรบุรีนูน่นขับเอารถตู้มาที่บ้านไทยมาถามเราก็บอกว่าอา๋อนั่งแล้วมันสุกแล้วก็อยากให้มันสุกอีกเขาบอกใช่เอางี้แล้วกันเราน่งตายไหมตายเขาว่าต้องตายใช่ไหมนี่คือความจริงใช่ไหมเขานี่ไม่ต้องเอาแล้วสุกเสิกไม่เอาแล้วตายตายอย่างเดียวเขาก็นั่งตายตาย <laughs> โอ้ดีกว่าเก่าเพาว่า คือเปลี่ยนจากความยึดติดข้องนั้นมาเป็นปล่อยวางตายเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไม่ต้องไปสนใจมันนะสุขสรงบไม่สนใจแล้ ว, ส น, ลวสนใจว่ากูต้องตายในแน่เข้าใจไหมพอทิ้งหมดแล้วคราวนี้มันไปเองเข้าใจไม่ละ่ะทั้งอิ่มเอิบทั้งเบิกบานทั้งสงบทั้งโล่งโปร่งเบาทั้งรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราสบายเลยปฏิบัติง่ายเลยที่นี่จากนั้นมาไม่เคยสงสัยอีกเลยเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะตายตายเลยที่นี่ลมมาก็ดูลมใหม่ตายตายอยู่เรื่อยนี่มีคนหนึ่งอ่ะเนี่ยเราก็ไปยกตัวอย่างไปสอนที่บ้านอาลีนี่ละเราก็บอกว่านี่มีคนหนึ่งเขาสงสัยมากเขาก็เลยเช่ารถมาเราก็ให้เปลี่ยนกรรมฐานเพราะเขาเหมือนจะไปสนใจพุทโธไม่ตดงสนใจสุกสึกอะไรแล้วตายตายไอคนนี้ก็ทําบ้างตายตายตายหมดดีเหมือนกันเขาว่าเอ๊ตายนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะมรณานุสติ เป็นสัพพัทกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับทุกคนเข้าใจไหมทำได้ทุกคนเขาเรียกว่าสัพพัทกะกรรมฐานกรรมฐานที่เหมาะกับทุกๆคนกับเมตตาเมตตาภาวนากับมรณสติหรือมรณานุสติอันเดียวกันนึกถึงความตายเพราะนั้นแต่มันติดอะไรตายตายแล้วออคราวนี้ละ่ะน้อมเข้ามาว่าเราตายแน่ๆก็จะลืมเรื่องนั้นหมดละ เมืถึงแต่ความตายทีนี้จิตเราแวบไปมันก็จะรู้อีกวันไปจากจิตเราออกไปหากนั่งสมาธิแล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงแปลว่าอะไรเจ้าคะสักพักก็เต้นปกติเหมือนเดิมธรรมดาปฏิบัติธรรมมันก็มีเปลี่ยนแปลงเรื่องร่างกายเป็นอย่างนี้แหละคนปฏิบัติธรรมมันก็จะต้องมีสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี้เพื่อให้จิตเรารู้เพื่อให้จิตระวางใจเป็นกลาง ให้จิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นสภาวะธรรมถ้าว่าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายพวกนั้นก็ผ่านมาผ่านไปเกิดแล้วกระดับไปเป็นเครื่องมือฝึกจิตถ้าเราปฏิบัติต่อไปอีกเราก็จะหมดความสงสัยเหมือนกันมันจะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปโอ้บางคนนี่นะนั่งไปนั่งไปเสร็จแล้วก็ทีแรกก็ดูว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราพี่นาไปเขาบอกว่าทีนี้ลมหายใจมันก็เริ่ม เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่ะที่เหมือนจะหลุดไปอ่ะก็กลัวตายใช่ไหมนี่รีบหายใจดึงกลับดึงลมกลับเข้ามามีเข้ามาก็กลัวไม่กล้าปฏิบัติไม่กล้าปฏิบัติเป็นปีสองปีเลยอ่ะตอนหลังก็ไปฟังธรรมะก็เริ่มรู้สึกอยากปฏิบัติขึ้นมาก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ก็สอนให้ปล่อยวางอ่ะมันก็ค่อยๆวางวางวางมีวันหนึ่ง มาปฏิบัติเองทีนี้มาขอเป็นลูกศิษย์จ้ะเขามาขอเป็นลูกศิษย์นะบอถ้าหาว่าใครขยันขันแข็งขยันปฏิบัตินี้เราจะรับเป็นลูกศิษย์ถ้าขี้เกียจไม่เอาไม่อยากได้ลูกศิษย์ขี้เกียจหรอกหนูตกลงหนูจะเพียรปฏิบัติเขาว่าเอาตกลงรับเป็นลูกศิษย์ไปปฏิบตัติสภาวะเก่ากับใหม่ ก, ก็ใช่ไหมพอถึงเวลามันก็เป็นขึ้นมาใช่ไหมสภาวธรรมอ่ะแต่คราวนี้มันก็กลัวเหมือนกันกลัว แต่ว่าเขาพอประคองได้รีบเอาโทรศัพท์มาโทรหาอาจารย์ที่หนึ่ก็รับเป็นลูกศิษย์แล้วใช่ไหมโทรตื๊ดพอดีลงมาพอดีเลยก็รับโทรศัพท์ครับบอกแก้ทางโทรศัพท์บอกให้ปล่อยแก้คือปล่อยไม่ยินดีไม่ยิ้านี่แหละหลังเดียวกันดูไปเลยไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวว่นอะไรดูเฉยเฉยเอาธรรมะของเจ้ามาไม่ยินดีไม่ยินร้ายดูไปดูมาหลุดไปเลย หลุดไปเลยก็สบายไปเลยนี่อ่าตอไปปกติเวลาทํางานคนเราต้องใช้ความคิดอย่างมากอยากทราบว่าเราสามารถเจริญสติไปด้วยกันหรือฝึกจิตไปด้วยกันได้อย่างไรเหมือนว่าการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันทํายากไม่ทราบว่าคนเราสามารถทําได้หรือไม่ทําอย่างไรเจ้าคะคือความคิดนี่นะเป็นการเจริญสมาธิด้วยการที่ฝึกคิดเนี่ย ก็ได้ซึ่ว่าเรามีงานเราก็เอางานเข้ามานั่งสมาธิแล้วก็ดึงงานนั่นแหละเข้ามาแล้วก็ตั้งสติดีๆคิดงานคิดรวดเดียวให้จบเลยสติคุมจิตไว้ให้มันคิดเรื่องเดียวไม่ใช่คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหลุดไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปคิดถึงกิ <c oughs> ง๊กเดี๋ยวไปคิดถึงงานคิดถึงโน่นคิดถึงนี่ไม่ใช่ให้มันคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวตั้งแต่ต้นเริ่มทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันจะเห็นหมดเลยนะขั้นตอนว่าขั้นไหนที่มันต้องระวังเป็นพิเศษขั้นไหนต้องเตือนพนักงานหรือว่าคน ท, ที่เกี่ยวข้องขั้นไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษขั้นไหนที่พอเข้าใจแล้วก็ทําไปได้เลยไม่ต้องให้ความสำคัญมันมากมันจะเห็นขั้นตอนของการทํางานหนักเบารู้หมดนี่คือคิดรวดเดียวอย่างมีสติตามดูจบแล้วก็หยุดมีคําตอบให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาไม่ต้องคิดทําไปเลยทําแบบอัตโนมัติเอาไปลองดูนะอันนี้ต้องลองดู อันนี้เรียกว่าเอางานมาเป็นเครื่องมือฝึกสมาธิพอเราอยู่กับงานทำได้อันนี้จะต้องต้องฝึกนะต้องมันก็จะต้องมีสติอยู่ระดับหนึ่งและสติที่สามารถควบคุมจิตได้ควบคุมจิตได้แล้วก็คิดเรื่องเดียวให้จบจบแล้วก็วางมีคำตอบให้เคยคิดในสมาธิไหมล่ะเ น, เนี่ยแสดงว่ายังยังใช้สมาธิไม่ได้ แสดสมาธินี่มันยังไม่มีพลังพอที่จะเอามาทาประโยชน์ได้ราะคนที่มีสมาธิเนี่ยสมาธิจริงจริงมันต้องเอามาทำประโยชน์ได้สวัาจะคิดอะไรเรื่องของใครสักคนหนึ่งก็เอาเรื่องคนนั้นมาจับมาแล้วก็นึกถึงคนนั้นขึ้นมาแล้วก็คิดถึงเขาขึ้นมาคิดจนจบจบเรื่องคิดว่ามันคืออะไรเราขี้คลายปัญหาจับเรื่องที่เป็นปัญหามาจับบุคคลที่เป็นปัญหามาแล้วก็คิดไปจิตเราเป็นการตลอด คิดจนจบมีคําตอบให้เรียบร้อยคนนี้ต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้ทํอย่างนี้มีปัญหาทํางนี้ทุกสิ่งอย่างดีขึ้นมาจิตเราก็เป็นกลางด้วยแล้วก็อยู่กันได้อย่างสบายๆมีใช้สมาธิคือส่วนใหญ่สมาธินี่ถ้าหาว่าสติมันกําลังมันอ่อนน่ะพอเข้าสมาธิปุ๊บสมาธินี่มันจะครอบงําจิตไว้มันจะคิดอะไรไม่ออกเข้าใจไหมพอจิตอยู่ข้างในมันจะเหมือนคนซึ้บื้อซึ้บือเข้าใจไหมสมาธิมันกดกดกดจิตไว้อยู่ จิตก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรคิดก็ไม่ออกเอาไปดูอะไรก็ไม่ได้เข้าใจไหมนี่คือสมาธิที่มันมีกำลังไม่สมดุลมันมากมันครอบงมจิตแถมออกมาอย่างเสื่องตาซึมๆเชื่องๆในสมาธิมันครอบจิตไว้ต้องเป็นสมาธิที่ตื่นตัวเอาไปดูกายดูเวทนาดูจิตเนี่ยสติปัฏฐานสี่ของพระพุทธเจ้าสติต้องมีกาลังต้องฝึกสติให้มีกำลังเพราะนั้นพระเจ้าเน้นสติ ที่เราพูดก็พูดเรื่องสเตกันมังต้องให้มีเดินจงกรมทําอะไรพยายามมีสติไว้ให้สติมีกําลังพอสติมีกําลังแล้วมันจะเข้าไปคุมจิตคุมจิตจิตจะต้องเป็นจิตที่ตื่นเข้าสมาธิก็สตินี้คุมจิตเอาไว้ได้รู้ตัวตลอดเนี่ยนนี้สติจะทําให้จิตตื่นสมาธิก็ทําให้อารมณ์ที่จิตเห็นมันชัดเจน สติทำให้จิตรู้อารมณ์ตื่นแล้วก็รู้อารมณ์ได้อะไรเกิดขึ้นรู้ตัวสติทําให้จิตรู้สมาธินี่ทําให้อารมณ์ที่จิตไปเห็นนั้นชัดเจนปัญญาทําให้จิตเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วกระดับเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราที่เขาเรียกว่ายานปัญญายาณอ่ะต่อไปตามที่พระอาจารย์อธิบายว่าความคิดคืออาการของจิต อยากเรียนถามว่าบางครั้งการเกิดความคิดในเชิงลบโดยไม่มีเจตนาเกิดจากอาการของจิตที่มีลักษณะเช่นใรการคิดโดยไม่มีเจตนานั้นเป็นบาปหรือไม่และการเจริญสติจะสามารถขจัดอาการของจิตและความคิดดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะ่ะการที่จิตของเราเนี่ยมันคิดไม่ดีคือแสดงว่าเราเนี่ยเคยทํากรรมไม่ดีมาทํากรรมไม่ดีมาจิตก็เคยชินต่อการคิดไม่ดี อยู่ดีๆมันก็คิดขึ้นมาได้่าคิดขึ้นมาแบบนั้นเพราะว่าความเคยชินของจิตหรือว่ากรรมที่เราเคยคิดในทางไม่ดีมันก็ให้ผลถ้าเราไปหลงยึดว่าความคิดเป็นเราเราไม่สบายใจอันนั้นเป็นบาปแต่ถ้าเรารู้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับมันเป็นแค่อาการของจิตมันแค่เป็นวิบาก ค, คือผลของกรรมในอดีตมันให้ผลในปัจจุบันเราก็อยู่เนือกรรม เราก็ใช้กรรมแล้วก็ปล่อยวางกรรมนั้นเราไม่บาปแต่ถ้าเราไปยึดว่าความคิดเป็นเราแล้วก็ไปหลงยินดียินร้ายกับมันไปคิดว่าเราทําไมต้องคิดไม่ดีด้วยเราเนี่ยทำไมแย่อย่างนี้น ะ, ะเราน่าจะคิดดีๆทําไมมันถึงคิดไม่ดีทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้มีเจตนามันคิดของมันเองด้วยอํานาจของกรรมเก่ามันคิดของมันเองด้วยอาการของจิตความเคยชินของจิต ที่มันเคยสั่งสมมาในอดีตแต่เราไปยินดียิน้ายเราไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเราบาปตรงที่เราไปยึดความคิดที่มันเกิดขึ้นเองนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเราก็เป็นทุกข์ไปกับมันทุกข์นี้ถ้าหาว่ามันติดอยู่ในจิตใกล้จะตายไปตกนรกได้ด้วยถ้าไม่วางแต่ถ้าใครวางเป็นปัญญาไปสุขติได้เห็นหมอันเดียวกันนี่อันหนึ่งไปสุขติอันหนึ่งไปทุขติเพราะนั้นสติต้องดีใช่ไหมล่ะ เห็นแล้วมันจะวางเข้าใจใช่ไหมคนถามเข้าใจเนาะต้องสติต้องดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนเห็นความคิดอันนี้ว่ามันเกิดแล้วกระดับมีเคยเล่ายอะเลยมันมีตกระเมี่ยฉีคนหนึ่งอยู่ชาเชิงเซาเนี่ยไปเยี่ยมที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนี่งเขาก็มาหามาหาก็มาประลบบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยพูดกับใครแล้วชอบด่าคนนั้นเขาว่าพูดกับใครก็ตามแล้วมันจะด่าเขาไปด้วยพูดไปด้วยด่าไปด้วยอย่างพูดกับอาจารย์มันก็ด่าอาจารย์เขาว่าไม่โดนด่าฟรีๆใช่ไหมล่ะ ก็เลยบอกเขาบอกอันนี้เป็นกรรมของเขากรรมเขาในอดีถ้าเขาปล่อยวางได้ก็ไม่เป็นไรแต่เ้าไม่บอกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาด่าเราก็แล้วไปดิเราไม่ถือนี่ถึงเขาด่าเราก็ไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นความเคยชินภายในจิตเห็นไหมกรรมของคนเรามันไม่น่าจะเป็นได้นะพูดกับพระพูดกับครูบาอาจารย์สังที่มาปรึกษาหารือปัญหาพูดไปก็ด่าไปอออ่ะเมันเป็นไปได้ขนาดนี้แล้วน่าสงสารด้วยนางสารอายุก็ยั ง, งน้อยอยูอ่ก็เลยต้องไปบวชชีเพราะว่าอยู่กับโลกไม่ได้มันทุกข์ เป็บวชีก็พยายามปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติก็เป็นแบบนี้แหละพูดกับอาจารย์ก็ด่าอาจารย์ไปผู้คนอื่นก็ด่าเข้าไปทางที่ดีไม่ควรไปบอกให้เขารู้ใช่ไหมนิ่งเฉยให้เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปง่ายเลยเราไม่ใช่เราอะเกิดแล้วก็ดับนี่ไปยึดว่าเป็นเราเห็นไหมเราด่าเขาเห็นไหมมีเราแล้วก็มีเขาถ้าเราดูว่าเฮ้ยเป็นอาการของจิตอันนี้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมไม่เกี่ยวกับเราเป็นผลของกรรมแต่ยอมรับว่าอดีตนะเราเคยสะสมกรรมแบบนี้ไว้แต่จะเคย ทำหนี้ติดเตียนพระเรียเจ้าเคยด่าเคยว่าพระอรียเจ้ากรรมมันก็รุนแรงเนาะมันคอยให้ผลทางจิตแต่ถ้าปฏิบัติไปก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้เดี๋ยพุทเจ้าก็บอกแล้ววิธีการนะ่ะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาถ้ า, าว่าอบรมกายดีแล้วอบรมศีลดีแล้วอบรมจิตดีแล้วอบรมปัญญาดีแล้วหลุพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้การดูจิตคือการพยายามรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่หรือไม่ เช่นเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเราพยายามรู้สึกตัวและกำหนดว่าโกรธเนาะเพื่อเรียกสติคืนกลับมาควบคุมจิตให้รู้ว่าการโกรธเป็นอกุศลใช่หรือไม่เจ้าคะอ๋ออย่างนี้ก็ได้นี่ก็ได้หมายว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิของจิตเรามันมเป็นขั้นตอนของจิตถ้าเราอยู่ระดับนี้เราก็ต้องกำหนดไปก่อนดูไปก่อนโกรธเนาะโกรธเนาะก็ได้ แต่ถ้าบางคนถ้ามันจิตมีกําลังแล้วบางทีมันเริ่มโกรธปุเห็นปุ๊บปล่อยทันทีวางทันทีก็ได้แต่ถ้าหาว่ามันยังมันยังมีอาการโกรธอยู่แล้วก็เราต้องการเนี่ยเพิ่มน้ําหนักตัวรู้เนี่ยให้มันเห็นชัดเจนโกรธหนอแล้วก็ให้มันเพ่งเล็งลงไปจดจ่อลงไปที่ความโกรธนั้นนี่ก็เรียกว่าดูจิตเหมือนกันดูจิตก็คือดูอาการของจิตนั่นแหละต่อไปมันก็จะดูได้เร็วขึ้นความโกรธมันแก ลดลงลดลงลดลงเมื่อก่อนมันรุนแรงแล้วมันก็ยาวต่อไปถ้าเราดูบ่อยๆเข้ามันก็ลดลงลดลงลดลงต่อไปแค่ปั๊บขึ้นมามันก็รู้ทันแล้วมันก็ดับต่อไปความโกรดนี้ก็ดับไปจากจิตได้ด้วยไม่มีไม่มีโกรธความโกรธเกิดไม่ได้แต่มีให้เห็นปับ๊บแล้วก็ดับไปเองเกิดเองดับเองนี่คือไม่มีตัวตนความโกรธนะแต่ว่าเราต้องฝึกจนถึงระดับของสภาวธรรม เกิดเองดับเองจนไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องสติกับจิตดูเหมือนจะใกล้กันมากรบกวนพระอาจารย์อธิบายความแตกต่างเจ้าค่ะสตินี่มันเป็นคุณสมบัติของจิตครัถ้าเปรียบเทียบเหมือนร่างกายเราคนเราไม่มีแข็งแรงมีอ่อนแอจิตก็มีสติกับไม่มีสติหมายว่าร่างกายเนี่ยความแข็งแรงหรือความอ่อนแอเป็นคุณสมบัติของร่างกายแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยทีนี้ถ้าเราออกกํลาลังกาย ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมาทีนั้นเราเจริญสติจิตเราก็มีสติขึ้นมาถ้าเราออกกําลังกายร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมาถ้าเราไม่เจริญสติสติเราก็อ่อนกําลังลงไปลดลงไปถ้าเราไม่ออกกําลังกายร่างกายเราก็อ่อนแอลงไปไม่แข็งแรงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นสติมันจึงเป็นเหมือนกับคุณสมบัติของจิตเพราะนั้นใครมันเจริญสติตัวสติเนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้เร็ว รั้วลมได้ดีตัวสติเนี่ยแล้วมันก็ควบคุมจิตได้ทําให้จิตเนี่ยอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วถ้าสติมีกําลังมันสามารถระ ล, ลึกถึงอารมณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆเอามาพิจารณาได้เดียเรื่องที่เราเคยพูดเอาไว้เรื่องเขาเราเคยทําคําที่เราเคยพูดหรือเจตนาที่เราเคยทําอะไรสักอย่างเราลืมไปแล้วแต่ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยถ้าสติเราดีเราสามารถนึกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็สามารถ ดึงเอาเจตนาของเราออกมาได้ดึงเอาคําพูดของเราออกมาได้ดึงเอาเหตุการณ์นึกขึ้นมาได้สติเน้นไปดึงมาดึงออกมาแล้วก็มาดูมาตรวจสอบดูว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมนังสามารถพิจารณาอะไรได้กว้างขวางอดีตก็เอามาพิจารณาได้มาทําความเข้าใจได้อนาคตก็สามารถพิจารณาทําความเข้าใจได้ต่อไปมันจะเป็นยังไงยังไงควรทํายังไงเกีย่ยวข้องยังไง เอาเข้าใจนะ้อสติครับจิตสติเป็นแค่คุณสมบัติของจิตจิตที่ฝึกสติสติก็จเจริญขึ้นมีกําลังมากขึ้นถ้าจิตมีกําลังมากเขาเรียกว่าสติพละใครอยางมีพลังจิตต้องฝึกสติมากๆสติมีกําลังก็จะทําให้จิตนี้มีพลังขึ้นมาเขาเรียกสติพละสติมีกําลังก็จะควบคุมจิตให้มีสมาธิสมาธิที่มีพลังก็เรียกว่าสมาธิพละเอาเลยด็อกเตอร์คืออย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะที่จะเข้าใจสําหรับคนบางคนที่ยังปัญญาน้อยอะไรอย่างเนี้ยอย่างตัวดีฉันเป็นต้นถ้าสมมติว่าเราอาศิกับจิตเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการของการคิดการรู้สึกใช่ไหมคะอย่างถ้าสมมุติว่าจิตเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวว่าไอ้คิดเนี่ยมัน ควรหรือไม่ควรถูกหรือไม่ถูกเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชคือถ้าใครจเจริญสติไปจเจริญสติไปนี่พวกนี้เข้าใจหมดอะ่ะเข้าใจไหมอันนี้ก็คือคนที่ปฏิบัติยังไม่มากเขาจะสงสัยไปเยอะคําถามจะเยอะในทันทีใช่ไหมเจ้าคะเออคือเขาเขาจะถามไปล่วงหน้าไงมันยังไม่เกิดขึ้นก็สงสัยไปก่อนแต่ถ้าคนที่เปฏิบัไปมันจะมีคําตอบที่หลังจะมีคําตอบทีหลังทีนี้พอสงสัยแล้วไม่อธิบายมันก็ ก็ปฏิบัติต่อไม่ได้เพราะมันสงสัยอยู่ก็อธิบายพอให้ปฏิบัติไปได้เมื่อปฏิบัติแล้วจะหายสงสัยหมดอะมีคําตอบให้หมดเหมือนเหมือนอย่างคําถามแรกๆที่ผ่านมานะคะตอนนั้นเผลอไปว่าเออเราน่าจะใส่ใจมากกว่านี้หน่อยที่ว่าว่าอะไรที่ท่านบอกว่าต้องระวังกายซะก่อนอะไรที่ไปเคยว่าเขาอะไรไว้แต่ไปว่าพระว่าอะไรแล้วมันเป็นวิบากเป็นบาปอะไรนั้นอันนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งละเอียดค่ะว่าโอ้ถ้ามัน ต้องเริ่มจากกายดีใช่ไหมคะใจดีหรืออะไรดีมันจะตามใจเป็นขั้นกันพยายามต้องตามดูกายเวทนาจิตทำจิตนี่ก็คือพวกความคิดความรู้สึกต่างๆกิจกรรของจิตคิดว่าเป็นบาปเพราะว่าอะไรนะ่นไปไปด่าว่าพระใช่ไหมคะใช่สติเขาต้องดีต้องไปทำต้องต้องบาปหนักจังเลยอันุโมทนา อันนี้ถ้าเขาไม่ยึดก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเห็นว่ามันเกิดดับมันก็จะจบแต่ถ้าเขายังไม่เห็นเขาจะไม่สบายใจเขาเป็นทุกข์นั่นก็คือยังบาปใช่ไหมอันนั้นบาปก็อยู่ที่ตัวเขาเอามาคิดไม่คิดไปยึดไปยึดอยู่ที่ว่าไปยึดเอามาปูุแต่งเขาไม่มีเจตนาไปด่าไปอะไรเลยมันเป็นเองคอํานาจของกรรมออํานาจของกรรมนี่หมายถึงว่าเขาเคยทํามาเขาเคยทํามาเขาเคยด่าพระอริยเจ้ามาแล้วก็ ทำให้เป็นอีกอมันก็มันก็ติดอยู่ในจิดเข า, อ, เ อ, าอันนี้เขาต้องฝึกจิตฝึกจิตจนไปทันน ะ, อ, ะอันนี้มันต้องต้องทัน ท, ทันทีทันใดว่ามันต้องสุกจิตจนรู้ทันรู้ทันแล้วก็หายคําถามต่อมามีบางคนปฏิบัติภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดแต่ยังมีทิฐิแรงเหมือนเดิมโทสะแรงเท่าเดิมเพราะเหตุใดเจ้าคะพรามมันยังล้ามไม่ได้เหมือนเราปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติแทนที่จะดูตัวเองเราก็ไปดูคนอื่น อย่างน้ใไมนี่นี่ก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นตัวเองด้วยว่ากําลังไปดูคนอื่นแล้วผู้เจ้าสอนให้ฉลาดในวาลติคของตนให้มาดูตัวเองขัดเก่าตัวเองแก้ไขตัวเองพอคนปฏิบัตินี่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือจะไปเห็นกีเลนคนอื่นโอ้บูนี่กิเลสเยอะโอ้โห่นั่นก็ไม่ดีเห็นนี่ก็ไม่ดีสู้เราไม่ได้เห็น ไ, ไหมนี้มันออกไปอย่าให้มันออกไปสิข้ามาเรื่องของเขาเขาดีไม่ดีเรื่องของเขาแต่เรานี่ต้องขัดเก่าเราแก้ไขเรา เราไปเพ่งโทษคนอื่นไปจับผิดคนอื่นจะไม่ได้แต่ถ้าถามคําถามมาทำไมเขายังมีทิฏฐิอยู่โหทิฏฐินี้เพาราะลหันละได้เขาจะไหมไม่ใช่คนธรรมดาจะละพระโสดาบาลก็ยังมีทิเทียพระสกทาคามีพระนาคามีนิวหมดความเห็นที่ผิดพระโสดาบาลก็ละความเห็นที่ผิดได้เฉพาะส่วนห ย, ยาบ เห็นว่าสักกายที่เถียลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายขันห้าเป็นเราแต่ชนิดหยาบๆด้วยไม่ใช่ละเอียดเพราะอั้นระละได้หมดไม่มีเราจบเลยพระนาคามีก็ยังมีเราอยู่พระสกทาคามีพระโสดานมีเราหมดปุถุชนไม่ต้องพูดถึงเต็มร้อยร้เพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับธรรมะที่ปฏิบัติเพราะนั้นถ้าคุณธรรมมันยังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์มันก็ยังละไม่ได้ความโกรธ พันจละได้ก็ต่อเมื่อผ้านาคามีมีพระองค์หนึ่งอะ่ะไปปฏิบัติเจอท่านตอนนั้นท่านพรรษาที่สองไปลงอุโบสถดด้วยกันนล้วท่านก็เลยมาเจอกันก็คุยกันไปอะ่ะท่านก็เล่าประวัติของท่านให้ฟังว่าสมัยที่ท่านเป็นฆราวาสอะ่ะเป็นคนโทสะแรงมากพอโทสะขึ้นมาแล้วจะลืมตัวท่านวัดถ้ามีอะไรอยู่ใกล้คว้าเลยมีมีดคว้ามีดเลยมีม้อนขว้างเลยมีดฟันเลยอะไรอย่างเงี้ยแรงมากลืมตัวคุมไม่อยู่สุดท้ายก็เลยมาบวชมาบวชก็พยายามเจริญสติ จนได้ภรรษาที่สองมีวันหนึ่งกันว่าทีนี้เกิดปะทะกับพระทะเลาะ ก, กับพระเป็นสติมันดีขึ้นมาแล้วท่านบอกโอ้โหท่านคุมตัวเองนี่ตัวสั่งเลยท่านบอกมันโกรธขึ้นมาถ้าสมัยก่อนแล้วก็ลืมตัวแล้วอาจจะทุบตีพระพระอาจจะตายแล้วก็ได้ท่านว่าแต่นี้พระยืนอยู่ต่อหน้ากําลังเถียงกันอยู่นี่ตัวนี้ท่านสั่งเลยเมือท่วมตัวเลยแต่สู้กับตัวเองได้คุมได้จากนั้นมันก็เบาลงเห็นไหมมันจะลดลดลงลดลงกรรมทั้งหมดนี่ันลดลงเพราะการปฏิบัติ แก้ได้มีทางเดียวคือปฏิบัตินี่พระเจ้าก็ยืนยันอย่างนั้นต้องปฏิบัติธรำนี่แหละมันจะเป็นคําตอบให้เป็นทางออกให้แก่ชีวิตของเราเพราะฉนั้นอย่าขี้เกียจ น, นะต้องขยนันต้องพยายามนี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันน่ะพอเข้าคอร์สแล้วก็อตั้งอัวตั้งใจกันนี่กลับไปวันพรุ่งนี้กลับไปตอนเย็นๆนี่เป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอาจจะตั้งใจไว้แล้วก็ได้ ไปถึงนี่ต้องติดตามข่าวแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้มันถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวต่อไปจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างไรเจ้าคะอันเดียวกันจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์และคิดปรุงแต่งอารมณ์น้อมบริสวารมณ์มันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึง่งรู้อารมณ์ได้และคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้มโนก็คือจิตวิญญาณก็คือจิต เป็นชื่อใหญ่ๆเรียกชื่อมันแต่บางทีเราวิญ ญ, ญาณขันวิญญาณในขันห้าเนี่ยหมายว่าจิตที่ออกไปทํางานออกไปล่วลมทางตาเรียกจ่าขูวิญญาณไปล่วลมทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณไปล้วลมทางจมูกคานะวิญญาณเรียกชื่อมันชื่อที่ไปล่วลมเราเลยเรียกว่าวิญญาณบางทีก็บางสถานการณ์เขาก็เรียกจิตว่าเป็นวิญญาณมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่พูดกันมันเป็นสมมติอะบางทีก็เรียกมโนอย่ามโนอย่ามโนอย่ามโน คาถามถัดมาอยากให้พระอาจารย์อธิบายถึงจิตผู้รู้ว่าเป็นอย่างไรเจ้าค่ะจิตผู้รู้นี่มันต้องเป็นจิตที่ปฏิบัติธรรมจนอริยมรคมีองค์8เนี่ยมันเริ่มมีกําลังแล้วจะเห็นว่าเราเริ่มต้นเราเริ่มพูดถึงสติสติเนี่ยก็คือสัมมาสตินั่นแหละแต่ว่ามันยังอ่อนๆมันอ่อนๆมันยังเป็นมรคไม่ได้มันอ่อนมาก เขาก็เรียกสติเฉยๆ เ, เรียกสติเบื้องต้นจะไปเรียกว่าสัมมาสติมันก็รู้สึกว่ามันมันยังเรียกไม่ได้เพราะว่ากําลังมันไม่มีเข้าใจไหมเดินไปก็ใจลอยไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เต็มปากเต็มคําแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามัคก็พอได้อยู่ว่าเออเนี่ยกําลังเจริญอริยมรรคแล้วกำลังเจเริญสติเบื้องต้นแล้วเดี๋ยว่ามัคข้อที่1มันยังไม่รวมกันเข้าใจไหมมัคกับมันไม่รวมกันตัวสมาธิอยู่ที่1สติกําลังเริ่มกํกกาลังดึงสัมมาสมาธิกับเข้ามาเข้ามาคุมจิตไว้ ให้เป็นสมาธินี่องมัสมันก็เริ่มมีขึ้นมาองค์ความเพียรก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาวายามะควบคุมจิตพย า, ยามดึงจิตเข้ามาเป็นสัมมาสมาธิสัมรวมวาจาสัมมาวาจามีการงานที่ชอบไม่เป็นปัญงานที่ขัดต่อการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์สัมมากมมันโตดําเนินชีวิตมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์นี่เขาเรียกว่าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบมีมัสมันก็จะเริ่มเข้ามาส ม, มาธิทิพก็เริ่ม ฟังธรรมมากของมุทธเจ้าเริ่มรู้เข้าใจว่าเออชีวิตเนี่ยมันต้องตายถ้าม่มีขุเจ้านี่คิดไม่ออกนะอยู่ทีง่ง่ายๆอย่างนี้คิดไม่ออกต้องได้ฟังธรรมของมุทธเจ้าคิดออกบางทีคิดออกนี่ขนาดคิดออกนะบางทียังไม่อยากได้ยินเลยใช่ไหมอู้ยอย่าพูดอย่าพูดความตายเป็นอัปมงคลใช่ไหมมูทีเจ้านี่พูดบ่อยใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนั่งอยู่นี้ก็ต้องตายเหมือนกับมีพระเทละองค์หนึ่งอะไปเยี่ยมทาหาบดีเศรษฐีอะไปถึงก็เขาก็ขอให้ให้พรก่อนจะตัด ขอให้ท่านเศรษฐีตายก่อนว่าให้พรให้เศรษฐีตายก่อนเศรษฐีโกรธโกรธว่าทําไมไปให้พรว่าให้เขาตายก่อนพระก็เลยบิบายว่าโอ้ยถ้าหาว่าลูกตายอ่ะเศรษฐีจะถูกมากเพราะนั้นเศรษฐีตายก่อนนี้แล้วก็เลยพอใจขึ้นาไปเห็นไหมอยอมรับความจริงไม่ก็ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรง ระดับได้ยินได้ฟังระดับความคิดก็ต้องได้ยินได้ฟังเราพวกเราทําเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเรื่องความตายเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆจนรู้สึกมันเข้ามาในชิตไม่กลัวตายแล้วแ ต, แต่เวลาจริงๆไม่แน่ใช่ไหมถ้าไม่กลัวตายก็สแสดงว่าถ้าลูกตายก็ไม่กลัวด้วยใช่ไหมละ่ะต้องไม่ร้องไห้อันนี้แค่ได้ยินอาจจะเป็นลูกของเธอเนะนี่แค่เป็นลมเลยใช่ไหมเนี่ยการแสแดงว่าอยางทําใจไม่ได้เพราะนั้นใครก็ตามรู้ความจริงแล้วว่าเกิดมาต้องตายทําใจได้หมด พรหลานแล้วร้อเลยไม่กระเทือนเลยเฉยเลยเป็นปกติไปหมดจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตามเห็นเป็นธรรมดาหรือแม้แต่พระผู้จักรสมรัยพระเจ้าที่ท่านทรงผชนมาายุสังขาร อ, อีก3เดือนจะประิมิผ่านพระพหลานทาั้งกรโอนแม้แต่องค์ณสมเด็จพระสัาวุเจ้ามีอนุภาพขนาดไหนสุดท้ายคันนี้ไม่พ้นสภาพความเป็นจริงก็สลดใจธรรมดาพระระดับสวัสดาสกิทาอะไรก็ยังมีความเศร้า ความเศ้าโศกเสียใจยถ้าผู้ทุชนไม่ต้องพูดถึงพากันจับกลุ่มร้องไห้เลยร้องไห้เลยพระเนี่ยไม่ร้องไห้เพราะพ้าองค์จะปฎิญญาพานแล้วล่มโพล่มไส้ของเราไม่มีอีกแล้วร้องไห้ทีนี้มีท่านติสสะเนี่ยท่านติสสาเนี่ยท่านกดตั้งใจเอาไว้พอได้ยินผู้เจ้าปรงพระชนมยุทสังขารเรียบร้อยแล้วก็เราเนี่ยธรรมะที่ผู้เจ้าสอนยังไม่รู้ไม่เห็นเลยเราจะรีบเข้าป่าจะปฏิบัติธรรมให้รู้เห็นก่อนที่ผู้เจ้าจะปริญญาพาน ไอ้องเดียวเลยเดินจูกรมนั่งสมาธิพระก็จับกลุ่มกันดูซีท่านติศะไม่ไมรักไม่เคารพในพระพุทธ อ, องค์เลยรู้วองค์จะไปนิพพานก็ไม่มาร้องไห้เหมือนพวกเราเห็นไหมคิดผิดใช่ไหมล่ะองค์นั้นก็เดินจุกรมพอสติมันดีขึ้นมามันก็รักษาจิตไว้ได้มีสมาธิมันก็ไม่ร้องโหมร้องไห้ท่านก็พิจาธรรมณาทำไปมีพระไปฟ้องพระเจ้าเลยว่าท่านติศาเนี่ยไม่เคารพ ไม่รักในพระพุทธเจ้าพระองค์จะปฏิญญาผ่านก็ไม่ร้องให้ผู้าก็ประชุมเลยชุมปุ๊บถา ม, มเธอคิดยังไงทาไมเธอทิ้งไปอยู่ในป่าองค์เดียวปฏิบัติธรรมอยู่ท่านก็พูดความจริงเลยว่าเนี่ยข้าพุทธเจ้าเห็นว่าความจริงที่พระเจ้าสอนน่ะธรรมะทั้งหมดที่พระองค์สอนน่ะข้าพุทธเจ้านี่ยังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่แจ้งไม่ชัดเลยตั้งใจจะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นก่อนที่พระองค์จะปริญิาผ่านภายในสมเดือนนี้ ผู้เจ้าสาธุเลยสาธุเลยดีแล้วติดสะพระนั้นผู้เจ้าก็เลยตัดว่านี่การบูชาเราแต่ทางวัดมีสองอย่างอารมิตบูชาบูชาด้วยข้าวของเงินทองอาหารการปินคลละหมากรากไม้ถูกเทียนเรียกาอามิตบูชาเป็นการบูชาเทียมคือมีบุญอยู่แต่เทียบกับปฏิบัติบูชาแล้วถือว่ายังเป็นการบูชาเทียมการบูชาเราที่แท้จริงคือปฏิบัติตธรรม เรียกปฏิบัติบูบชามีที่เรามานี่ปฏิบัติบูชาใช่ไหมนี่มีสูงสุดแล้วนื้อการบูชาทั้งหมดเคยปฏิบัติทำมาหลายปีมีขณะจิตหนึ่งรู้การเกิดดับของจิตรู้สภาพรู้ของจิตรู้มีการดับขอคําแนะนำพระอาจารย์ในการปฏิบัติในขั้นต่อไปเจ้าค่ะ อ, อเมื่อกี้นี่คาถามที่ผ่านมานะที่พูดถึงอริยมรรคมันจะมาเกี่ยวโยงกับคาถามนี้ หมายว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมักมันจะค่อยๆรวมตัวเข้ามามีสมาธิตมันก็มีสมาสังคับปะมันก็อยากออกจากทุกข์อยากละไอ้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะพอมันเห็นในพวกนี้ว่ามันเกิดดับว่าไม่ใช่เราแล้วมันก็จะอยากละอารมณ์พวกนี้ยิ่งมักมันเจริญมามากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งอยากละอยากปล่อยอยากวางอยากหลุดอยากพ้นเพคนปฏิบัติธรรมมันอยากพ้นเองพออยากพ้นโมรมักมันมีกําลังขึ้นมา มันจะทําให้จิตนี่รู้อารมณ์ได้ชัดเจนขึ้นที่แรกก็ตามดูนู้ น, น ون, ตามดู น, นี้ใช่ไหมนี่ต่อมาตามดูเวทนาด้วยก็เห็นจิตด้วยตามดูความคิดก็เห็นจิตด้วยยินดียินไล้ไหมต่อมาก็มีตัวรู้ว่าไอ้จิตมันกำลังดูเวทนาอยู่เข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยอํานาจอะเรียคความรู้อันนี้มันจะกว้างขึ้นอันนี้เดียวว่าผู้รู้ผู้รู้นี่คนปฏิบัติเข้าใจไหมอธิบายยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจต้องปฏิบัติเอาถ้าประเดี๋ยวไปถึงแล้ว จะเป็นเหมือนกันหมดจะต้องมีผู้รู้เกิดขึ้นมาเป็นเหมือนกับผู้รู้อยู่ดีๆผู้รู้ไม่รู้โพงมาจากไหนเขาอ่ะเป็นเหมือนคนที่สามขึ้นมาปุ๊บตอนแรกจิตไปตามดูเวทนามันจะจ่ออยู่ที่เวทนาเข้าใช่ไหมจ้องเวทนาจ้องอย่างเดียวเลยดูไปดูมาทีนี้ไอตัวสติมันมีกําลังขึ้นมาสมาธิมีกําลังมันก็จะหดตัวเข้ามาหาจิตจิตก็เริ่มคลายออกจากเวทนามันก็มาเห็นจิตเห็นเวทนาก็เห็นจิต ต่อมาอีกดูไปดูไปดูไปพอมันเริ่มเริ่มเริ่มตัวรู้พุบขึ้นมาอีกเห็นจิตที่ดูเวทนาด้วยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเนี่ยขยายตัวออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่อยู่กับที่ขึ้นอยู่ความเพียรใครอยากรู้ไอ้เพียรเอาต้องเห็นเหมือนกันหมดเข้าใจไหมละ่ะมันจะต้องมีคําตอบให้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคําถามนี่มันมีเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงเข้าใจไหม มันอยากรู้ก่อนอยากรู้ก่อนแลยถามไปก่อนถามลงหน้าอธิบายมากก็ไม่ได้เพราะอธิบายยังไงก็ไม่รู้ก็อธิบายแนวทางพอให้ปฏิบัติไปได้เอาคำถามเมื่อกี้เอาลองถามที่อะไรนะเคยปฏิบัติธรรมมาหลายปีมีขณะจิตหนึ่งรู้การเกิดดับของจิตรู้สภาพรู้ของจิตรู้มีการดับขอคำแนะนำพระอาจารย์ในการปฏิบัติในขั้นต่อไปเจ้าค่ะอ๋อคาแนะนาคือให้ปฏิบัติต่อไป นี่แหละนี่แหละคํำแนะนาก็คือแบบเหมือนเดิมนั่นแหละมันจะรู้ความพอดีมันเองมันจะรู้ไปเองให้ไปเดี๋ยวไปอย่างนี้แหละนะสมควรทำยังไงทำไปเลยเพียรไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีคําตอบให้เองมันจะปล่อยวางเรื่อยไปนะถ้ามันเริ่มเห็นความเกิดดับของจิตละเมื่อต่อไปมันก็จะปล่อยวางไปเรื่อยความเกิดดับก็จะเร็วขึ้นละเอียดขึ้นเราก็จะรู้ ต่อไปก็หมดคําถามอ่ะมันก็จะรู้เลยว่าดูไปเดี๋ยวมันก็เกิดดับเองเห็นว่าไม่ใช่เราเองบางทีมันก็ตามสอนตามบอกเราด้วยเ่าอันนี้ไม่ใช่เรานะเห็นไหมมันเกิดแล้วก็ดับของมันให้ปล่อยให้วางอะไรก็ว่าไปเรื่อยมันจะพูดได้ด้วยจิตเราเนี่ยคุณสมบัติของจิตมันจะเพิ่มขึ้นมามันพูดมาอธิบายอธิบายในนี้มันคืออยากตอกย้ําให้จิตนี่มันเข้าใจตัวจิตเนี่ยส่วนที่มันโง่มันก็มีอยู่เข้าใจไหม ส่วนที่ฉลาดมันไปนฟังธรรมะของพุทเจ้ามาปฏิบัติแล้วมันฉลาดขึ้นมาก็มีมันก็พยายามอธิบายให้จิตที่ยังไม่รู้เนะี่อรู้มันก็ต้องย้ําลงไปก็มีขึ้นมาอันนี้แนะนําก็คือให้ปฏิบัติต่อไปนะอย่างนีเ้เราต้องพิจารณาที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมใช่ไมจ๊ะคะโอ้มันต้องผ่านทั้งนั้นแหละเขาอย่างไรไอันนี้ที่ที่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเอง ใช่ใช่มันต้องน<ก>ี่แหล ะ, จะเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรร ม, มนี่เป็นพื้นเป็นหลักเลย ต, ต้องเป็นขั้นอย่างนี้เป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักอย่างนี้เป็นหลักนะอย่างสมมติว่าอ่าเราดูสมมนั่งฟังท่งานอาจารย์อย่างเงี้ย<ช>เราปวดขาแล้วทีนี้เราลองเรียงลําดับไปว่าเราพิจารณาอย่างไงอย่างนี้นะคะสมมติว่าเอ้านั่งไปนานๆมาดูที่ว่าเวทนามันปวดปวดที่ไหนปวดที่เข่าที่ขาอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็พิจารณาไปว่าเราจะทํายังไงกับการปวดนี้มันทําให้ฟังได้ไหมทําให้ฟังต่อได้ไหมหรือว่าปวดจนทนไม่ได้แล้วความรู้สึกขณะนั้นมันเป็นยังไงเพราะมันพอดียมทําไปเลยนะให้มันปล่อยวางได้ใช่ไหมคะอืมไม่ให้มัไปยุ่งกับไเวทนาเนีนี้อันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวผู้รู้มันจะเป็นตัวผู้รู้ตัวรู้ตัวเห็นตัวอะไรอย่างนี้ก็แล้วมันจะไปเองใช่ไหมคะเออใช่มันจะรู้เองจะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วทําทํากับตัวเองปฏิบัติกับตัวเอง ให้ได้ให้มันมันเหมือนกันใช่ใชไให้เพียนอย่างเงี้ยไป<ม>เพียนมากๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองตลอดไปใช่ไหมตลอดเพียนตลอดไปเลยน ะ, ะจนตายจบเลยมพระโมคคตนตายนี่วางไม่เ <c oughs> ไม่งั้นไม่จบเปล่ามันสมควรทําก็ทําทํ า, ทาแล้วมันพอดีกับเราเขาจะไหมรู้ไปเลืองรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนนะ ต้องรู้ที่ตัวเราเดี๋ยวมันจะไปถึงเองควรดูเฉยๆก็ดูไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่ถ้ามันอยากพูดพูดแล้วมันสบายใจมันดีพูดไปนะถ้าตายล้วก็ไม่ต้องพูดพอมันตายแล้วว UMB ิแล้วคำถามถัดมานะคะการเข้าใจธรรมชาติกับรู้ความจริงในโลกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างใดเจ้าคะ การเข้าใจธรรมชาติรู้ความจริงในโลกคือการที่มันมาเห็นความจริงเนี่ยมันจะเห็นข้างในก่อนเห็นความเข้าใจในธรรมชาติที่อยู่ภายในเราเี่ยในจิตเราเนี่ยมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยว่าไม่ใช่เราแล้วมันวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยทีนี้พอมันเข้าใจมันจะขยายความรู้สึกออกไปถึงโลกถึงธรรมชาติทั้งหมดะว่าทุกสรรพสิง่งก็เหมือนกันนี่แหละมันจะปล่อยจะวางไปพร้อมๆกันมันต้องเข้าใจข้างในก่อน เข้าใจความจริงที่อยู่ข้างในนี้ว่าความจริงแท้น่ะคือไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันจะเห็นอยู่ประจำประจำแล้วเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันนึกถึงไปอะไรถึงเรื่องอะไรอันนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็วางธรรมชาติในโลกหมดเลยแล้วธรรมชาติในโลกนี้มันจะอยู่ยังไงมันก็อยู่ของมันไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกายเราเนี่ยมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันจิตเนี่ยก็เป็นธรรมชาติได้รู้อารมณ์ได้ก็ธรรมชาติของมันเรารู้ความจริงหมดแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงในธรรมชาติ ข้างในนี้ต้องรู้รู้แจ้งรู้ชัดรู้ก็เข้าใจด้วยเห็นเห็นรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราวางหมดจดจิตเป็นอิสระพอจิตเป็นอิสระมันก็มองธรรมชาติทั้งหลายว่าธรรมชาติทั้งหลายก็อยู่ตามธรรมชาติของมันไม่ว่าฝ่ายสังขารแล้วก็ฝ่ายนิพพานเรียกวิวสังขารเห็นสองด้านเห็นหมดแล้วก็เลยโลกก็เลยไม่มีอะไรสงสัยอีกต่อไปละ โลกก็มีแค่นี้เองใครที่ไม่เห็นความจริงว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อจิตเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วจิตจะว่างเปล่าจิตจะไม่มีทุกข์จิตจะไม่มีเราจิตจะไม่เป็นอะไรเลยตรงนั้นถ้ายังไม่ถึงตรงนี้จิตจะต้องวุ่นวายอยู่กับสังขารอยู่กับความคิดนึกปรุงแต่งสารวณอยู่กับเรื่องต่างๆในโลกวุ่นวายอยู่กับเรื่องของโลกไม่มีจบสิน้นพูดยังไงเขาก็จะงไม่เข้าใจเขาก็จะต้องดิ้นลนบนเวียน อยู่กับความนึกคิดปรุงแต่งเหล่านั้นสาระวนอยู่กับเรื่องทั้งหลายของโลกไม่มีจบสิน้นเวียนว่ายตายเกิดเยื่องนี้แล้วแล้วเล่าตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เขายังไม่เห็นความจริงว่ามันมีที่สิ้นสุดตรงที่ไปถึงพระนิพพานเท่านั้นตรงนั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตจิตจะดับหมดว่างเปล่าหมดมันก็จะมองทุกสรรพสิ่งว่าอ๋อโลกทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นวุ่นวายอยู่ตรงนี้ก็คือปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็สาระวนอยู่กับความหลงที่มันปรุงแต่ง ความหลงที่มันสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเขาก็จบเพราะเขารู้แต่คนที่ยังไม่เห็นตรงนี้ยังไม่ถึงที่สุดของทุกของพานิพานเนี่ยเขาก็จะหลงอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองว่าหลงก็เลยสารวณอยู่ก็เลยมีเรื่องมากมายก็เลยไม่เข้าใจชีวิตคิดว่าเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจหลงแต่ไม่รู้ว่าหลงคิดว่าตัวเองรู้จริงคิดว่าตัวเองรู้รอบคิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องแต่จริงๆรรู้ภายใต้กรอบของความหลง ภายใต้กรอบที่ไม่รู้ความจริงหมดจดเขาจึงต้องวนเวียนเบียนว่าวตายเกิดอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นคนที่จะออกจากตรงนี้ได้ต้องปฏิบัติจนถึงพระนิพพานเท่านั้นเพราะนั้นคําตอบอยู่ที่พระนิพพานเพราะวิทยาทุกพระองค์จึงต้องสร้างบา ร, รมีเพื่อไปถึงพระนิพพานนั้นเมื่อรู้ความจริงแล้วต้องมาสอนให้คนที่มีปัญญาที่มีบา ร, รมีพอแล้วก็จะสนใจปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้ตามไป บรรลุตามไปจะเอาไหมล่ะเอาไหมมีใครเอาบ้างยกมือขึ้นอา่าสุดยอดอย่างน้อยเชื่อมั่นในตัวเองนี่พระเจ้าใช้คำว่าอัตตสัมปทาอัตตสัมปทานี่คือเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองว่าเรานี่สามารถปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้แน่นอนต้องมีอันนี้ด้วยคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ที่จะปฏิบัติธรรมต้องมีอัตตสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเชื่อมั่น ในตัวเองว่าสามารถปฏิบัติธรรมได้จริงทำไมงั้นแล้วมันจะไม่มีความเพียรเอามีใครจะเอาบ้างยกมือขึ้นไหมโอ้ยยเยอะกว่าเดิมโอ้เชื่อมั่นขึ้นมาแล้ว <c oughs> อนุโมทนานั้นเนี่ยอย่างน้อยก็กล้าหารขึ้นมาล่อธิษฐานบ่อยๆเลยเนี่ยที่พาอธิษฐานอยู่นั่นปรารถนาที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ จนกว่าจะพ้นจากทุกข์ในวัตถสงสารมีย้ำลงไปแล้วจิตมันจะหล่อหลอมคุณสมบัติของมันขึ้นมามันจะพยายามเพียนจะพยายามเหมือนพระเจ้าเนี่ยต้องอธิษฐานบารามีเพราะอะไรเพราะบารามียังไม่เต็มอธิษฐานบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันจะสร้างขึ้นมาเองจิตเราเนี่ยสร้างขึ้นมาของกราบพระอธิษฐานวันละหลายเที่ยวเลยไม่นานอ่ะเดี๋ยวมันจะขยันขึ้นมาเขยไงเพียนขึ้นมาเลย วันนี้ปฏิบัติด้วยการนั่งเก้าอี้เพราะหัวเข่าไม่ค่อยดีรู้สึกเวทนาไม่มาเลยค่ะมีแต่ง่วง<ม>เช่นนี้จะมีผลต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะคือทา ง, ง่วงไม่ก้าวหน้าก็ตอบได้เลยว่าไม่ก้าวหน้าคือนั่งหลับนี่อันตรายคือนั่งหลับเนี่ยมันจะมีอะไรแทรกซ้อนเข้ามาซึมพอซึมแล้วระบบประสาทสมองจะเสียเพราะนั้นเราเวลานั่งเนพยายามไม่ให้ซึม ห่วงซึมต้องแก่ตลอดต้องแก้ไขหอไม่ต้องนั่งมันเลยยืนเดินเข้าใจไหมละ่ะเดินเอาไมืม่อที่เดินข้าในก็เดินข้างนอกออกไปเลยอย่าให้ซึมอย่าให้หลับนั่งเก้าอี้แล้วหลับก็ไม่ต้องไปนั่งเก้าอี้อมันนั่งพื้นไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งเดินยืนนั่งก็นิดๆหน่อยๆพอมันหายเมื่อยนั่งก็อย่าไปนั่งพิงนั่งอย่าเอาหลังไปแตะเข้าใจไหม ให้มันอยู่ในท่าทางที่เรียกว่ามันสติมันดีเนี่ยเรียกว่าเพียรวิียะอันนี้พอง่วงหน่อยก็มองหานะกาจะพิงตรงไหนไหมอพิงก็ต้องเอ็นเลยนะจะได้สบายขึ้นเนี่ยไหมลู่ลูตัวลงไปเน่มันก็ไปสี่อย่างเงี้ยใครนะอยากรู้จะได้ตีแรงๆเนาะขวาไม้เลยอยู่แถวนั้นล่ะ เรารู้แล้วเรารู้แล้วนรืทางนี้่ะทางนี้ก็มีก็ยิ่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เห็นทางนี้เห็นทางนี้ทางนี้มีนิดหน่อยนิดหน่อยทางนี้โหเอาแบบหนักเลยนะตอนแรกตอนแรกไปก็เคาะเบาๆก่อนเชยให้เลยนะเอะดูว่าแกมันจะเข้าไปในฝันแกไหมขอขอร่วมสิบครั้งเชยเลย ขรานี้ให้ไม่ได้แล้วค่อยๆไม่ไม่ตื่นแน่นอนมีมีมีนี่เรื่องจริงอ้าวต่อไปอที่บอกว่าให้นั่งปฏิบัติไปเรื่อยๆพระอาจารย์สอนอะไรก็ให้นั่งต่อไปฟังคำสอนพระอาจารย์ให้เป็นวิหา ร, รธรรมไม่เข้าใจค่ะเพราะพอลองทำแล้วก็พบว่ากลายเป็นฟังพระอาจารย์อย่างเดียว ลืมดูลมหายใจขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเจ้าค่ะอ๋ไม่เป็นไรอันนี้มันมีสติในการฟังเรามีสติในการฟังก็ได้อีกอันหนึ่งก็คือดูตัวเองไปเรื่อยๆคําพูดเข้าไปสัมผัสอันไหนรับก็รับอันไหนไม่รับก็แล้วไปขึ้นอยู่กับจิตของตัวเราถ้าจิตมีสมาธิเราอยู่ข้างในจิตอยู่ข้างในเสียงก็ไปเลยเนี่ยกระทบรู้รู้รู้แต่ว่าไม่รับอันไหนมันพอดีกับจิตเรามันจะรับอันนี้คือจิตที่มันมีสมาธิ ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิมันก็มีสติในการฟังไปฟังไปฟังไปฟังไปก็จิตก็ฟังอยู่มันก็จิตอยู่กับตัวเองมันก็ยังสงบระดับหนึ่งเงียสบายระดับหนึ่งอันนี้ก็ทําให้มีสติขึ้นมาแต่สมาธิยังไม่มีกําลังถ้าสมาธิมีกําลังมันจะต้องจิตมันจะต้องกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแ น, แน่ๆอยู่ข้างในแล้วอะไรเสียงอะไรเกิดขึ้นมันจะมาสัมผัสเองนี่นี่คือจิตตัพวนา เรว่าใช้จิตฟังแล้วก็ภาวนาไปด้วยฟังไปด้วยได้ฟังอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนี้ฟังแบบข้างนอกไนงะตั้งใจฟังแล้วให้คําพูดให้เสียงนี่เข้ามาอธิบายทําอธิบายเข้ามาเข้ามามันก็จะมาแทนที่ความคิดของเราก็สบายระดับหนึ่งดีกว่าไปฟังเพลงเพลงนี้ดึงจิตออกไปธรรมะนี่มันพูดเข้ามาหาจิตมันจะ ด, ดึงจิตเรากลับเข้ามา หากปฏิบัติแล้วจิตไม่ต้องการไปสวรรค์จะกลับมาเกิดหรือไม่เจ้าคะไม่อยากไปสวรรค์แล้วอยากไปไหน <c oughs> คือถ้าอยากไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกก็ต้องปฏิบัติจนพ้นทุกข์จนเห็นความจริงสูงสุดว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเห็นเรานี่เป็นธรรมชาติร่างกายวินน้ําลมไฟจิตใจก็วิญญาณธาตุเนี่ยเป็นธาตุอันศักสักแต่ว่าธรรมชาติหมดเลยมีความรู้สึกว่าเป็นเราแทรกเข้ามาอยู่ในธรรมชาตินี้ กายก็เป็นธรรมชาติฝ่ายรูปประธรรม จ, จิตก็เป็นธรรมชาติฝ่ายานามธรรมา ท, ทั้งรูปธรรมและนามธรรมาทำทำอ น, นี้มันทํางานเองได้อย่างร่างกายเราหายใจนี่หายใจเองหรือว่าเราตั้งใจหายใจมันหายใจเองใช่ไหมปอดเราทํางานเองไหมหัวใจทํางานเองไหมกระเพาะทํางานเองไหมนี่คือระบบของรูปมันทํางานเองแต่เรามาสวมรอยว่าเป็นเราเข่าใจไหมจริงๆมันเป็นธรรมชาติอันนี้ในเมื่อมันหลงว่าเป็นเราเราจริงจําเป็นจะต้องมาให้มันรู้ พอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราจะเป็นอันหนึ่งใช่ไหมจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งร่างกายนั่งอยู่ผู้เจ้าจึงบอกว่าอีกครั้งหนึ่งมีภาพนอนป่วยอยู่ป่วยแล้วกายจะตายแล้วผู้เจ้าก็ไปแสดงธรรมให้ฟังไม่นานหมอไกยนี้เมื่อปาสจากวิญญาณจากนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้เผ่านนันฟังเข้าใจปุ๊บจิตปุ๊บเข้ามาจอ่อดูกายก็เห็นจิตไปด้วยเนี่ยเวลาจิตมีกําลังมันจะเห็นเห็นไปด้วยกันดูกายก็เห็นจิตไปสุดท้ายก็ ดับไปพร้อมกันเลยทั้งกายทั้งจิตปุ๊บไปบรรลุเป็นพระลานแล้วก็ปรินิพานในวันนั้นแดีวก็มีพระถามว่าเอออยากรู้ว่าองค์เนี้ยวันนี้ฟังธรรมพุทธองค์แล้วมรณภาพวันเนี้ยอยากรู้ว่าเขาไปเกิดที่ไหนอสมัยพุทธเจ้านี่บอกได้ใช่ไหมพระก็ถามอยากรู้ไงพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ท่านปูติคตาปิสาเทระลูกของเราแต่หาโคตฟังธรรมแล้ววันนี้บรรลุเป็นพระลานปรินิพานแล้วในวันนี้นะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว คือเห็นความจริงเนี่ยว่าไม่มีเราไม่มีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนแล้วไม่มีอะไรพามาเกิดได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากมาเกิดก็คือต้องปฏิบัติจนรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดถ้าปฏิบัติธรรมมันต้องไปสวรรค์เขาจะไหมถ้าไม่อยากไปสวรรค์ก็อธิษฐานเอาขอมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้ปฏิบัติธรรมเร็วขึ้นก็คงไม่มีใครอธิษฐานไปนรกเพราะมันจะไปอยู่แล้วเอามนุษย์ส่วนใหญ่ไปนรกเขาจะไหมล่ะเอาดูจิตเราสิ แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีไหมอกุศลกับกุศลอะไรมากกว่ากันอกุศลใจลอยนี่ก็เป็นอกุศลแล้วโมหะเดี๋ยวก็โกรธแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยลอย เ, ยเดี๋ยวก็อยากได้นู่นได้นี่แล้วแล้วมันจะไปไหนอะ่ะถ้าไม่ไปอบายภูมิใช่ไหมละ่ะน่ะเห็นไหมมันจะไปอยู่แล้วไม่ต้องอธิษฐานก็ได้แต่ถ้าใครปฏิบัติธรรมถ้าใครตายในขณะปฏิบัติธรรมเนีย่ยไปเป็นเทวดาจะเดินจงกรมแล้วตายกระตามนั่งสมาธิตาย ยืนพิงฝาอยู่มีสติอยู่ตายแล้วไปสวรรค์ทัน ท, นทีไปทันทีเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครอยากไปสวรรค์ก็นี่ปฏิบัติกครอย่าตายก็อย่าหลงลืมก็แล้วกัน อ, อย่าไปห่วงใยมันเลยเรื่องอื่นเขาไปทิ้งให้หมดเขาใช่ไหมเขามันอยู่ดูเรานี่ลมหายใจเข้าออกอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมีถ้าอยู่กันนี้ได้ไปสวรรค์ก็จะไม่ล่ะมีตายขณะปฏิบัติมีง่ายๆอย่างนี้เลยไปสวรรค์ง่ายๆแบบนี้แหละ ถ้าใครรู้แ่ไปโอ้โหแฟนเราถ้าเราตายมันจะแต่งงานใหม่ไหมเนาะสวยเลยเวยตายในขนาดนั้นสวยเลยไปเป็นเปรตหรอหรือเป็นตุ๊กแกมาเฝ้าแฟนพอแฟนมาตุ๊กแกตุ๊กแกเขาไม่รู้เรื่องอยากทักเขานาอยากทักเขาเอาต่อไปนะคะขอให้พระอาจารย์อธิบายคำว่านิพพานว่าเป็นอย่างไร สามารถจะมีได้ในชีวิตประจําวันหรือไม่เจ้าคะ่ะโอนิพานนี่มันคือนิพานจริงๆนะมันต้องพอะระอรหันต์หมายว่าท่านรู้ความจริงหมดแล้วปล่อยวางหมดแล้วจิตของท่านก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วมันดับหมดแล้วเรื่องราวทั้งหมดไม่มีตัวไม่มีตนนั่นจิตถึงนิพานนิพา น, พานพาก็คือกิเลสก็ดับหมดตัณหาดับหมดความหลงดับหมดเนี่ยโลภโกรธหลงดับหมดตัวตนดับหมดไม่มีอะไรเลยอ่ะจิตก็ว่า อันนี้ก็มีแต่ธาตุขันยังเหลืออยู่แค่นั้นเองอันนี้เป็นนิพพานเขาเรียกสมุเฉ็ดนิโรธสมุเฉ็ดนิโรธหมายว่าดับสนิทเลยนิโรนิโรทะคือดับอารมณ์ทั้งหลายดับหมดเรื่องราวดับหมดแต่ถ้าหากว่านิพพานชั่วคราวออย่างเช่นว่าเราโกรธใครขึ้นมาปุ๊บเราตามดูมันเนี่ยมันดับทุบไปมันไม่เกิดขึ้นมาอีกก็เรียกว่านิพพานชั่วคราว แต่ทางคันนิพานแต่ทางคนันิโรจนิพานชั่วคราวหรือดับชั่วคราวเย็นชั่วคราวหรืออยู่ในสมาธิกิจเป็นสมาธินานสองชั่วโมง3ชั่วโมงนี่เขาก็เรียกว่านิคัมพนะนิพานานิพานนานา น, นา น, น, านจาับใดที่ยังอยู่ในสมาธิไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามานี่เขาก็เรียกว่านิพานได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่นิพานแท้จริงเรียกมันเฉยเฉยเรียกว่ามันเย็นมันไม่มีทุกข์ระดับหนึ่ง แต่พอกระทบอารมณ์แรงๆมันก็ยังทุกได้อยู่แต่ท่านก็เรียกอย่างน้อยก็เออให้มันมันก็ดีกว่าที่มันมีทุกใช่ไหมละ่ะอย่าพอทุกมันดับก็เลยเรียกวันนิพานหรือนิโรธาหมายถึงวันดับดับชั่วคราวก็ได้แต่ดับจริงๆนั้นหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติทำอย่าพระโสดาบันเนี่ยท่านปฏิบัติพอมันดับพึบลงไปมันตัดสินลงไปปุ๊บเนี่ยอารมณ์นิพานจะเกิดขึ้นจิตจะหยุดคิดปรุงแต่งชั่วขนาหนึง่งใกล้เคียงกับพระอรหันต์เลยชั่วขนานั้นแต่แป๊บเดียวเขาจะไหม จากนั้นก็เริ่มอารมณ์ก็เริ่มเข้าใหมาีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตลอดไปมีพระโสดาบันพระสกข า, ามีก็อาจจะดับพุ่ไปนานขึ้นหน่อยนานกว่าเดิมพระนาคามีก็นานกว่าเดิมอีกแต่ว่าพอกระทุ่มลงก็มาใหม่พระหลานแล้วกระทุ่มลงเนี่ยก็ไม่สนใจละดับหมดขาดหม ด, หมดจบในปัจจุบันได้แล้วก็ไม่เกิดอีกแน่นอนเพราะหลานไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากกรับมาเกิดอีกไม่อยากมาทุกข์อีกก็ต้องปฏิบัติจนถึงพระหลานไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติต่อไปอยังมีเอาเลยใช่ไหมละ่ะ ชาติต่อไปไม่ได้อีกก็ชาติต่อ ต, ต่อไปยังมีอีกเอาเลยเอา ต, ต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยได้เดินตามทางพรธเจ้าต้องแบบนี้เลยอธิษฐานบ่อยๆเลยอ่าต่อไปค่ะขอให้พระเจ้าอธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าเราจะตัดวงจรได้อย่างไรเจ้าคะ่ะสติสติเข้าใจไหมวงจร น, นี่ก็คือมีสตินั่นแหละสติตามดูจิตเนี่ยส่วนว่างี้จิตเนี่ยมันส่วนใหญ่เรื่องราไปจากจิตเนี่ยจิตไปยึดนู่นยึดนี่เนี่ยยึดแล้วก็เอามาปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการ สมมติกำลังอยากอยู่เราเห็นปุ๊บมันหยุดอยากมันเฉยเป็นปกติได้นี่มันตัดแล้ววงจรไปตัดชั่วข่าวไงตัดชั่วขณะมันกําลังปรุงแต่งอยู่เห็นปึ๊บหยุดปุุงแต่งดับชั่วข่าวตัดพบเข้าใจไหมละ่ะมันเป็นเราขึ้นมาตัดปึ๊บนี่ตัดชาตินง่ไม่มีเราชั่วข่าวเราไม่ไปเกิดคือตัดตอนไหนทันตอนไหนให้ตัดตอนนั้นกระทบรมปั้งปุ๊บหลู่ทานปุ๊บ นี่เวทนาไม่เกิดยินดีร้ายก็เกิดไม่ได้รู้ทันตรงนี้นี่รู้ทันตอนกระทบปุ๊บเอาง่ายๆในชีพประจมันเลยปุ๊บทันไหมล่ะทันไหมกระทบบอลลมเสว่ากระทบลมปั๊บมันเกิดความรู้สึกชอบใจขึ้นมาแล้วมันสบายไม่สบายนี่นี่คือเวทนาเวทนาเกิดขึ้นคือพวกนี้มันจะมีสัญญามีสังขารอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วแต่เราพูดในแง่มุมของปฏิสุบบาทเข้าใจไหมหมายว่ากระแสของมันเนี่ย อันที่เด่นขึ้นมาก็คือว่ากระทบปั๊บมันจะมีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกทุกข์มีความรู้สึกสบายหรือไม่สบายขึ้นมาแต่ด้วยสติของเราไม่ทันถ้าเราสบายเราก็อยากให้มันสบายตลอดไปอันนี้คืออยากให้เที่ยงถ้ามันไม่สบายเราก็อยากให้มันหายไปอยากให้มันดับไปอันนี้ก็คืออยากให้มันดับศูนย์ไปเขาเรียกอุเฉศทิฏฐิอีกอันหนึ่งนั่นสัสตสตะทิฏฐิความเห็นผิดทั้งคู่เห็นผิดนี่แหละคือมิจฉาทิฏฐิ อยู่ในจิตเราอยู่แล้วมันมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอยากให้เที่ยงแล้วก็อยากให้ได้อย่างที่เราต้องการได้มาแล้วก็อยากให้เที่ยงตลอดไปนี่มีมิจฉาทิฏฐิอีกด้านหนึ่งก็คืออยากให้มันดับสูญไปถ้ามันไม่สบายอันสบายก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปแล้วก็อยากให้ได้อย่างที่เราต้องการมีความอยากมาแล้วเวทนาสุขกับเวทนาเช่นอาหารจัวอาหารเนี่ยตึ๊บ ในอาหารจะมีรสใช่ไหมอาหารทุกชนิดมันจะมีรสชาติของมันอยู่ในนั้นในลิ้นเราจะมีระบบประสาทในลิ้นคนเราเนี่ยพออาหารปุ๊บมาเจอกันกับลิ้นรสในอาหารถ้ามันพอดีกับลิ้นเรามันจะอร่อยอร่อยนี้คือสุขเวทนาเราจะรู้สึกโอ้โหอร่อยเหลือเกินสุขใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันไม่พอดีมันจะเปรี้ยวไ ป, ออไปเค็มไปเผ็ดไปจืดไป มันจะไม่พอดีอ่ะมันจะเป็นทุกขเวทนามันจะไม่ชอบพอสู่กเวทนาปุ๊บปั๊บเข้าไปมันจะครูอร่อยนี่แล้วเอาหน่อยไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาอีกเห็นไหมตัณหามาแล้วใช่ไหมนี่แล้วมันร้านไหนนะเนี่ยร้านไหนไปซื้อร้านไหนเนี่ยอ้ร้านนั้นร้านนั้นโอ้วันหลังจะไปวันหลังจะไปเอาไปเอามาจะเอายีเยอะเลยโอ้เยอะฉันพาไปเห็นไหมนี่คือตัณหาตัณหามันจะพาไปเอาแล้ว ปัญหาล่วงหน้าเลยตัญหาในอนาคตเลยใช่ไหมปัจจุบันนี้ตัญหามีไหมอร่อยอร่อยกูอร่อยใช่ไหมเนี่ยเราอร่อยอยากได้เยอะๆมันไม่พอหรือมันพอแล้วมันอิ่มแล้วก็ยังจําไว้อยู่วันหลังจะไปใหม่จะเอาให้เต็มที่เลยไปร้านนั้นไปคิศร้านมันเลยชามใหญ่ๆไม่พอก็เอาสองมนี่ปัญหานี้เรากระแสของปฏิสุบารมันเกิดในจิตเราก็คือมันมาจากไหนกระทบก่อนปั๊บชิวหาประสาทประสาทในลิ้นกระทบกับ โอชาลดในอาหารปุ๊บเข้าไปถ้าเราทันตรงนี้ปุ๊บอร่อยรู้ว่าอร่อยจบถ้าจะเอาก็เอาได้แต่ว่ามันมีปัญญาแล้วมันไม่รุนแรงอ่ะ๋อมันอร่อยเออจะซื้อไปฝากสามีไปซื้อฝากลูกสื้อกอะไรมันอร่อยดีอยากให้เขาได้รับประทานของอร่อยอย่างนี้มันไม่ร่มร้อนมันไม่ดิ้นรนมากแต่ถ้าตัวตั้หามันจะดิ้นรนมากโอ้โหพอเราไปชิมตัวชิมปุ๊บอ้อร่อยอร้านอยู่ไหนอยู่ไหนแพงไหมราคาเท่าไหร่ ทางไปยังไง GPS มีไหม เ, เอาใหญ่เลยใช่ไหมล่ะนี่มันร้อนมันมันบุกบุก บ, บขึ้นมาในจิตอะ่ะอีกอันหนึ่งเนี่ยทำแบบราบเรียบอะ่ะเออวันหลังถ้ามีโอกาสผ่านไปก็จะซื้อมาฝากสามีซื้อฝากลูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีปัญญาเราก็พอมีเงินซื้อมาได้อาหารก็มีประโยชน์มันก็มีปัญญาเข้ามาประกอบอันหนึ่งมีปัญญาอันหนึ่งนี่ตั้นหาลุ้นล้วนนี่แหละนี่แหละทาสติไม่ทันน่ะ กระทบอารมณ์ปั้งก็ไม่รู้มันสักแต่ว่ากระทบแล้วมันก็จะมีเวทนาขึ้นมาเราก็ไม่ทันเวทนาพอไม่ทันเวทนามันก็มีตัณหาขึ้นมาแต่ถ้าทันมันเมื่อไหร่ปั๊บอร่อยรู้ว่าอร่อยจบที่เหลือกะปีมีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยตัณหาเกิดไม่ได้แต่ถ้ามาถึงตัณหารู้ว่ามีตัณหาแต่เราคุมอยู่คุมอยู่ดูมันอยู่เห็นมันอยู่โอ้ตัณหาโอ้ตัณหามันก็คิดนะเนี่ยมันชอบนะเนี่ยเจ้จิตของเราเนี่ยเออเนี่เห็นไหมเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันอยากขึ้นมาเนี่ยมันอร่อยมันก็เลยอยากเออ เราอย่าเพิ่งให้มันดีกว่าต้องให้หายอยากก่อนเราถึงจะไปนี่ๆที่นี่นนเรามีปัญญาใช่ไหมเนี่ยเราสู้เราสู้กับตัณหาได้มันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าอยากบันรุนแรงที่นี่ตัณหามันแรงยังไงต้องไปให้ได้ไปชวนสามีสามีก็ขี้เกียจลาคาญยังไม่อยากไปอุ้ยไม่ไม่ไ ม, ไม่เอ๊ะก็ของอร่อยทำไมไม่ไปอ่ะพาไปบ้างไม่ได้เหรอเนี่ยเคยไหมโมโหขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นโทสะกลายเป็นอะไรไป มีมันมาจากจิตเราเนี่ยไม่ทันไม่ทันอารมณ์ของจิตเสร็จแล้วก็ไปโทษสามีเราไปน้อยเนื้อต่ําใจอะไรอย่างเงี้ยหาว่าเขาไม่รักบ้างอะไรบ้างปรุงแต่งไปเยอะเลยเรื่องราวที่จริงอยู่ในจิตนิดเดียวแต่ถ้าอร่อยรู้ว่าอร่อยถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็จะไปรับประทานถ้าไม่รับประทานมันก็ไม่ถึงกับตายอย่างนื่ก็พอมีอยู่ข้าวปลาอาหารในบ้านเราก็มีอย่างนี้มันมีปัญญาเข้ามาตัณหาก็ไม่รุนแรงมากแต่มีตัณหาเราทันตัณหาเห็นตัณหาเกิดดับตรงนี้ยังไม่มีปัญหาเลย ตันหานี่เกิดได้มันอร่อยเราก็อยากได้แต่ว่าเราอยากลราคุมได้ไหมเข้าใจไหมถ้าคุมไม่ได้มันมีปัญหายืดเยื้อยาวไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นอุปทานยึดละอยากได้บ่อยๆพูดถึงบ่อยๆไปชวนสามีสามีไม่พาไปโกรธสามีขึ้นมาอีกนี่อุปทานเยอะเรื่องเยอะอุปทานเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยมีอุปทาน ก็คือมายึดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเ ล, เล็กๆน้อยๆนั้นในชีวิตประจําวันเราเนี่ยตาเห็นบ้างหูได้ยินเสียงบ้างจมูกได้กลิ่นบ้างลิ้นได้รสอันนี้ยกตัวอย่างลิ้นเพราะว่ามันพอที่จะเห็นภาพได้ง่ายในหูก็ไม่เบาหูใช่ไหมส่วนใหญ่ตากับหูนี่แหละมันมากลิ้นนี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกถ้าว่าเราคาดหวังนะมาปฏิบาาัติธรรมคราวนี้กลับไปบ้านสามีต้องเตรียมทําบ้านให้สะอาดสะอา้านคุมคนที่ดูแลหรือว่าลูกเต้า เขาก็ต้องทําการบ้านเรียนหนังสือตั้งอกตั้งใจเก็บตรงนั้นตรงนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอไปถึงเด็กไปเป็นไงกระจัดกายไปหมดปีตเลยใช่ไหมที่สติที่คุงไว้นี่หายหมดเลยอันนี้ก็เป็นกว่าตาแล้วก็จิตเรานี่มันไปคาดหวังมันไปคิตนาการเอาไว้มันไปภูมแต่งเอาไว้เราไม่ทันวิ่งตามความคิดของเราวิ่งตามความรู้สึกของเรามันก็ไปสร้างปัญหามากหรือเขาว่าเราอย่างเงี้ยปุ๊บเขาว่าเราถ้า ส, สติเราดี ปุ๊บได้ยินเสียงตึ๊บเข้ามาเสียงนี้มันจ ะ, ะทาให้รู้สึกไม่สบายเพราะเขาว่าเรามีเราแล้วเขาว่าเราถ้าเรารู้ทันมันมันก็จะดับขยันไม่มีตัวตนตรงนี้รู้ปั๊บมันดับถ้าดับเราก็คุมจิตได้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดแล้วก็ดับไปเราก็เฉยๆแต่ถ้าเราคุมไม่อยู่ไม่ทนันขึ้นเลยแล้วเบิดลงเลยี่เห็นไหมปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไม่ทันจิตเราไอ้ความรู้สึกที่มากระทบ เวทนาก็ไม่มีตัวตนมันมีเกิดชั่วข่าวแล้วก็ดับของมันแต่มันไม่ดับเพราะอะไรเรายึดไว้เราไม่ทันไม่ทันก็ยึดยึดแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปก็เป็นเรื่องเป็นราวมากมายยนี่แหละคือกระแสทุกข์เขาเรียกวกระแสทุกขเรียวกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้เจ้าตัสรู้ก็ตัสรู้เห็นว่าอันนี้มันเกิดดับมันเป็นกลางกลางกลางๆเข้าใจไหมไม่มีตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องผู้เจ้าเห็นหมดเลย อ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้ถ้าไม่ทันตรงกระทบปั๊บมันก็จะมีเวทนาผู้เจ้าไปเห็นเวทนาเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นว่ามันมีกรรมภพปรุงแต่งเพื่อจะทํากรรมเจตนาที่จะทํากรรมเรียกกรรมภพแล้วก็เกิดเป็นชาติปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเราเกิดขึ้นในจิตจากนั้นก็ชรามรณะโซกับเรอถ้าตายจริงจริงก็ไปเกิดเอาร่างกายมีร่างกายขึ้นมาเกิดในจิตก่อนเดี๋ยพผู้เจ้าเห็นวงจรอันนี้ แต่ผู้ชาวเห็นแล้วมันเป็นกลางหมดเลยล่าเทียบหมดโอ้โหมันละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหถ้าเราไปสอนเนี่ยเขาจะรู้ได้เหรอเนี่ยตรวจดูชาวประชาที่โอ้โหมีแต่ความอาลัยติดอันนู้นติดอันนี้อาลัยอาวรไปหมดเลยทั้งลูกทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งบ้านทั้งเครื่องใช้ไม้สอยอัน น, นู้นอันนี้ติดไปหมดเลยโอ้โหธรรมะละเอียดดึกซึ้งขนาด น, นี้ สังสุขขุมคำเพรลภาพลึกซึ้งรู้ได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปานีเป็นธรรมของบัณฑิตโอ้อย่างนี้เราไม่สอนดีกว่าเห็นไหมผู้เจ้าท้อพระไทยไม่อยากสอนจริงไหมละเอียดไหมนี่คือเรื่องที่ผู้เจ้าว์ตัดสู้คือนี่เรื่องจิตจิตที่สร้างทุกนี่เพราะนั้นปฏิสุบตินี่คือเรื่องที่ผู้เจ้าว์ตัดสู้โดยตรงเลยถ้าใครเข้าใจเรื่องปฏิสุบานก็จะเข้าใจเรื่องอเย ส, สัตสี เข้าใจยมักนิยงแฝดเป็นเนื้อเดียวกันในธรรมะจะเข้าใจธรรมะหมดเลยเรื่องของการปฏิบัตินี่ง่ายมากคือเราเข้าใจหมดแล้วรู้แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นต่างๆเราระวังจิตเราอย่างเดียวไม่ให้มันไปยุ่งกับพวกนี้พุงแต่งเรื่องนี้ทีนี้ค น, นสนใจแต่เรื่องย่อยๆเไาใช่ไหมปฏิบัติแล้วพองหนอยุคหนอเป็นนิพพานาหรือเปล่าแล้วแล้วพุโทโธสมัทหรือวิปัสนา คล้ายๆกันย่อยๆเขาใช่ไหมเรื่องที่ปฏิ้วเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโครงสร้างของการปฏิบัติต้องมารู้เนี่ยจิตมันทานํางานยังไงปุ๊บปบกระทบอารมณ์แล้วเป็นยังไงถ้ารู้ไม่ทันมันจะสร้างทุกข์ถ้ารู้ทันมันจะเป็นต่างราบเรียบออกจากทุกข์ได้เพราะฉะจะรู้ทันต้องมีสติใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาร่วมรัาต้องเจริญสติเอานี่มีลามจะหมดแล้วอา่าบนไม่ยังกํามจริจริงยังมีอะไรคําถามจ้ะค่ะเอาไว้คืนนี้หรือพรุ่รงนี้เช้า เนอ่าสํารวจจิตใจดีกว่านะเขาสุดท้ายมันก็มาลงที่จิตเรานะมาดูจิตเรานะรวบลัดเลยนะเรารู้แล้วว่าร่างกายมันก็ต้องตายะไม่ใช่ของเราแน่นอนอยก็วางมันเสียให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันรัดเลยไม่ต้องไปเสียเวลาบริโกรบริกรรมมันละไม่ต้องดูเดิมมันละสอนมันเข้าไปเลยเนี่ยวของตายตายนี่น ไม่ต้องทำอะไรมันมากวางวางเอาไว้ให้มันนั่งอยู่เฉยๆจิตใจเราก็รู้แล้วมันเป็นแค่กระแสกระแสกระแสความเกิดดับในจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นเป็นกระแสความเกิดดับจิตนี้ไปรู้อารมแล้วก็ดับคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับรู้สึกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับสัญญามาเดี๋ยวก็ดับรู้อารมแล้วก็ดับมันเป็นกระแสความเกิดดับทั้งหมดเลยเราก็ดูเฉยๆดิทำเฉยๆดูเฉยๆ อันนี้เขาเรียกว่าสถานุสาลีหมายว่าเชื่อในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดสู่ก็รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราเชื่อตามเลยว่าไม่มีเราแน่นอนทําความรู้สึกเหมือนไม่มีเราเด็ดขาดเลยปักใจเชื่อลงไปเลยว่าไม่มีเราร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตเป็นนามมาทำยิ่งไม่ใช่เราใหญ่เกิดดับความคิดเกิดแล้วก็ดับ รู้สึกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับสุขทุกเดี๋ยวก็ดับมันเป็นของลมลมนังแร ง, ง, งหมดเลยไม่มีตัวตนเลยดูเฉยๆเลยทําเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้นวางเลยวางเลยปล่อยเลยทิ้งเลยดูว่าเราทําได้มากหรือน้อยมีรัดสั้นที่สุดแล้วนั้นเนี่ยเราได้ทําได้มากแค่น้อยแค่ไหนเราก็มาดูว่าอันนี้แหละเป็นผลผลของการปฏิบัติของเราเชื่อตามพระเจ้าไปก่อน ผู้อยาตัดสู้ก็รู้ความจริงว่าร่างกายอันนี้พอาว่บอกแล้วเหมือนเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเมื่อไม่มีวิญญาณไม่มีจิตตายไปแล้วจิตกับกายแยกจากกันแล้วมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้วางมันลงไปให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันหายใจเข้าออกก็หายใจเองมันทำงานก็นทำงานเองมันเป็นระบบฝ่ายรูปประธรรม อีกอันหนึ่งก็ฝ่ายจิตฝ่ายนามมาทำบอกว่าคิดได้เองด้วยรู้สึกได้เองด้วยเวลากระทบโารโมันมันรู้ได้เองรู้สึกขึ้นมาเองความรู้สึกเหล่านั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยเสยเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยระวังจิตไม่ให้ไปปรุงไปแต่งให้มันดูเฉยๆรู้สึกเฉยๆทีนี้มันรู้สึกเฉยๆนั่นอันไหนเด่นชัดมันพอดีกับจิตเราเราก็ดูไปเดี๋ยวว่าดูเฉยๆดูเฉยๆแต่ว่า ถ้ามันลมมันพอดีกับการดูลมมันก็ดูลมไปพอดีกับการมาดูว่ามันนั่งอยู่ยังไงรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ยังไงเราก็ดูรูปนั่งไปมันพอดีกับการที่เรามันมีเวทนาขึ้นมาพอดีกับการดูเวทนาก็ดูเวทนาไปพอดีกการดูจิตจิตมันนิ่งจิตมันเฉยจิตมันว่างจิตมันสบายก็ดูจิตไปมันไม่รู้จะดูอะไรก็รู้สึกว่าไม่รู้จะดูอะไรมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ นี่ชื่อมันไม่ถูกก็เออมันเป็นอย่างนั้นแ่ะเป็นอย่างที่มันกําลังเป็นอยู่นั่นแหละนี่ว่าอยู่กับปัจจุบันเลยนี่ตรงที่สุดเลยเนี่ยไม่ต้องมีเราเข้าไปเพิ่มไปเติมไปเสริมไปแต่งนี่เข้าสู่ธรรมชาติเราดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะดูแบบปล่อยแบบวางเลยแบบทิ้งเลยแบบไม่เอาเลย ดูเฉยๆเลยสุดท้ายก็มาดูว่าพอดีอยังไงก็ดูไปแต่ว่าใจไม่ยินดีไม่ยินร้าย ใ, ใช้ได้แล้วแต่ต้องไม่มีความอยากนะไม่ใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วก็อยากให้ได้เห็นอยากให้รู้เหมือนได้ยินได้ฟังนี่กลายเป็นความโลภกลายเป็นความอยากวันนี้ก็พอแค่นี้นะ